อตอนนี้ไปเพิ่งพากันตั้งใจสำงรวมจิตใจเข้ทนให้แน่วแน่การฝึกนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ไม่มีทางที่จะดีได้ เพราะว่ามันมีสิ่งมัวหมองเข้าไปหุ่มห่อไว้อยู่หากว่าเราไม่ชำระสิ่งที่มัวหมองนั่นออกไปก็หาความสงบสุขสว่างสวัยไม่ได้ดังนั้นคอยพึ่งศึกษาสำเนียก ให้เข้าใจจิตของใครของเราเพราะว่าจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเปลือกเป็นกระพรี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามขัดเกลา จิตใจนี่ให้มันสะอาดจึงมีความสุขได้พูดง่ายๆว่าเมื่อกิเลสทุ่มหอ่อจิตใจโยจิตใจฟุ้งซ่านเรื่อน้อยไม่สงบระ ง, งับลักษณะอาการแห่งความทุกข์นั่นก็คือจิตไม่สงบอยู่ได้ พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่งางๆนานาอันนี้น่ะที่เราบ่นกันว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วน่ะใจไม่สบายน่ก็คือใจไม่สงบนั่นเองเนยใจไม่สงบหนึ่งใจไม่รู้แจ้งขันห้าตามเป็นจริงหนึ่ง นี่จึงได้เป็นทุกข์นะ่ะจิตตรงนี้นะอืมจิตตรงนี้จะไม่เป็นทุกข์ก็ครงกันข้ามนั่นเองเนะี่ยจิตไม่มัวมองจิตมีปัญญารู้เท่าขันท่าตามเป็นจริงก็เมื่อมันไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วมันจะเป็นทุกข์มาแต่ไหนอืม เหมือนอย่างเช่นเราทราบข่าวว่าคนอื่นไม่ใช่ญาติพี่น้องของตนตายลงอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรก็อย่างน้อยก็เพียงแต่ว่าน่าสงสารเท่านั้นเองถ้าลงว่าเป็นญาติพี่น้อง้องตนดูสิ ทั้งร้องไห้ลำไรีทั้งเสียใจทั้งดิ้นรนช่วยเหลือไปเรื่อยอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เพราะเหตุใดอ่ะเพราะถือว่าเป็นญาติของเรานี่แหละเป็นของเรานี่นะมันถึงได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาในทางทำ มาแล้วก็ญาติพี่น้อง ก, ก็เพียงแต่สมมุติว่ากันเอาเฉยๆถ้าว่าโดยประมัธธรรมแล้วไม่ไม่ใช่มันเป็นสังขารสภาพถูกปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ขึ้นมาแล้วก็มีจิตมาอาศัยอาศัยได้ทำความดีร่วมกันมาแต่ก่อนอาศัย อ, อุปาทานความยึดมั่นว่าพ่อเราแม่เราลูกเราร้านเราอะไรอย่างนี้นะอาศัยปัจจัยเหล่านี้แหละมันน่วงเหนียวให้มาเกิดร่วมกัน มันนี้ถ้าว่ามาภาวนาเจริญสมาธิทาใจของแพ้วแล้วก็เจริญปัญญาเห็นแจ้งขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่านั่นแล้วคำที่ว่ามารดาบิดาหรือญาติพี่น้องมันก็เป็นสมมุติอยู่นั่นธรรมดาแต่ภาในจิตใจแล้วมันไม่มี มีแต่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าไปเห็นผิดไปนะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่อันนี้เราพูดกันในทางปรมัตญธรรมต่างหากแต่ทางสมมุติบรญยัติแล้วเราก็เรียกกันอยู่ตามเดิม ไอพ่อแม่มีคุณต่อลูกต่อต้น อ, อย่างใดก็ก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าบำเพ็ญจิตตะภาวนาไปลึกลงไปถึงขั้นปรมัตถธรรมแล้วมันก็ละความยึดถือทั้งหมดเลยนี่แหละสาเหตุที่มันจะไม่ต้องมาเกิดร่วมกันอีก ต่อไปไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นลูกเป็นเต้าไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันต่อไปอีกอก็เพราะละอุปท า, านความถือมั่นว่าของเราของเขานี่เองอันนี้ต้องอาศัยปัญญา คนขาดปัญญาแล้วเดี๋ยวก็เห็นผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอะคนมีปัญญาแล้วจะไม่เห็นผิดไปพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่อยู่นั้นแหละญาติพี่น้องก็เป็นญาติพี่น้องอยู่นั้นเลโดยสมมุติตโดยปรามัตดแล้วไม่ใช่โดยสมมุตินี่หมายความว่า เมื่อบุญกรรมยังอุปถัมภำลงให้มีชีวิตชีวาเป็นอยู่ร่วมกันไปมันก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นผัวเป็นเมียกันไปอย่างนั้นแหละท่านพอบุญกรรมอันนี้มันหมดลงแล้วแล้วก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราของเขาแล้วตรงนี้แหละมันภาคกันไปเลย มันพลากกันไปแล้วไม่ได้มาเกิดร่วมกันเช่นอย่างว่าท่านผู้เป็นอนาคามีอย่างนี้นะเป็นอริยบุคคลชั้นที่สามท่านละความถือว่าของเราของเขาเสียได้แล้วหมดอายุแล้วท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสนูน่น แล้วท่านก็เจริญภาวนาอยู่ในพรหมโลกทั้นนั้นแล้วในที่สุดท่านก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปหมายความว่ากิเลสที่ยังเหลืออยู่นั่นท่านภาวนาไปท่างกมดละให้หมดสิ้นไปได้แล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านผู ไม่ถึงขั้นนั้นไปเกิดในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้น่ดถ้าได้บำเพ็ญภาวนาไปตั้งแต่เป็นมนุษย์นี้ <c oughs> อบรมอินชีให้แก่กล้าไปแต่เป็นมนุษย์แต่เมื่อเป็นมนุษย์นี่ยังไม่ได้สำเร็จักผลอะไร แต่ว่าเห็นโทษแห่งกามคุณเมตุนสังโยชน์ต่างๆเห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆพำความเพียรจนบรรเทากิเลสอันหยาบต่างๆนั้นลงได้ก็ยังเหลือแต่กิเลสละเอียดหรือกิเลสชั้นกลางอย่างนี้นะอันกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่ สามารถจะนําบุคคลให้ไปเกิดในนรกอบายภูมิได้ผู้บำเพ็ญบุญกุศลไปยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้ว อ, อตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เนียชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นผู้มีบุญมากก็เกิดชั้นสูงขึ้นไปผู้มีบุญน้อยกว่านั้นก็นเกิดชั้นต่ําลงมาเมื่อพระพุทธเจ้าไปแสดง พระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายมรรดาเทวดาที่แต่เป็นมนุษย์ได้ฝึกฝนอบรมทนไปได้ฝึ ก, กจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปกรรมมันชั่วร้ายต่างๆเมื่อได้ฟังธรรมสอนของพระพุทธเจ้าฟังอภิธรรมมเทศนาแล้ว จบลงการหนึ่งหนึ่งในตำราท่านแสดงไว้ว่าเทวดานั้นแหลสสำเร็จมรรคผลเป็นโกรธโกรขึ้นไปนู่นนี่แหละเพราะฉะนั้นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลความดีต่างนี่นะ่ะมันก็ไม่ใช่มีแต่มนุษย์นี่หรอก สวรรค์หกท่านก็มันทั้งนั้นแหละพรหมมารกท่านสุทาวาสก็เหมือนกันดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเพื่อเข้าใจอย่างนี้ทำยังไงก็พยายามถอนตนในออกจากอบายภูมิทั้งสี่ให้ได้ ตายแล้วอย่าให้ไปตกนรกอย่าเป็นเปรตอย่าเป็นอสุรกายอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะให้พากันคิดให้มันได้แต่เมื่อบุคคลทาชั่วอยู่อย่างนี้เราก็สามารถไปได้ไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แน่นอนทีเดียว啊นะ ก็ไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกนานแสนนานนี่แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะการกระทำความชั่วในโลกนี้นะมีแต่โทษแต่ทุกข์และการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมรัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนอย่างนี้นะ ไม่มีประโยชน์อะไรนะแม้ว่าบุคคลทำชั่วบางอย่างจะได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีพมันก็ไม่ได้เลี้ยงชีพไปนมนานอะไรน่อยนั้นก็หมดไปเงินทองเหล่านั้นดังนั้นอนะทุกคนจึงไม่ควรยินดีใน ความสุขชั่วคราวตายแล้วไปตกนรกความสุขชั่วคราวทั้งนั้นแหละไปฆ่าเนื้อเบื่อปลามาแล้วมาต้มมาแกงกินอร่อยดีอันนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวนะไปลักของสิ่งของเขามาเลี้ยงอัตภาพตัวเองและครอบครัว ในเมื่อของอันนั้นหมดแล้วความสุขก็หมดไปเป็นอย่างนั้นการไปทำชู้กับสามีภรรยาคนอื่นมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ชั่วชางพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเองอการกล่าวว่าจ้ากโกหกผกรม ท่อกงหลอกลวงเอาสมบัติปื่นมาเป็นของตนอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อสมบัตินั้นหมดความสุขก็หมดไปบาปยั้งอยู่แบบนี้นะเดื่มเหล้าเมาสุราก็เหมือนกันมันก็สนุกสนานแต่เวลาดื่มเวลาเมาการพอสั่งเมาแล้วมันก็ของเก่าร่างกายมันก็ เท่าแกะชราไปไม่ใช่ดื่มสุราแล้วมันจะหนุ่มจะสาวพืนหาไม่ได้มันยิ่งชำรุดทุดโทมหลายอีกข่้บุคคลดื่มท่องเสพของเสพติดมีบุหรี่ก็เหมือนกันเลยบุหรี่นี่ก็ให้โทษต่อร่างกายมากมายเหลือเกินเนะให้เกิดโรคับโรคปอดขึ้น ชุราก็ยิ่งแล้วอืมยาฟินก็เหมือนกันกัญชาผู้ใดสูกมากมากกาแล้วก็กลายเป็นบ้าไปก็มียาฟินผู้ใดสูกมากมาก้าไปก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยเห็นมาแล้วอืคนสูบบิดฟินมากนี่ ร่วแต่คนไม่มีปัญญาทั้งนั้นเลยมีชีวิตเป็นอยู่อย่างลำบากยากเย็นดังนั้นนะ่นะเฮโรอีนน่ยิ่งร่ายกาดอีกคำทำลายถุกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจในปัจจุบันนี่แหละใครเป็นทุกข์เดือดร้อน สำรุดสุดโรมไปอันมันลำบากตอนที่ไม่มีเงินจะซื้อนั่นสิวะนี่นะเมื่อไป ม, มีเงินจะซื้อเอามากินมาสูบมาดื่มแล้วก็มันก็เดือร้อนแล้ววะนี่ใครมาขัดขวางไม่ได้ฆ่าตีไปเลยหรือบางบางนนะกรณ์ลูก ติดเฮโรอินงอมแงมก็เล้วไม่มีเงินจะซื้อไปขอเงินพ่อเงินแม่พ่อแม่ไม่มีจะให้ก็ทุบตีพ่อแม่บางรายก็ถึงฆ่าพ่อแม่ตายไปเลยนูน่นมันสร้างอนันตริยกรรมให้แก่ตัวเองสร้างอาเวจีมารนรกให้ตัวเองเข้าไปดื่มของเสพติด อันร้ายแรงดังกล่าวมานี้เองชีวิตไ้นชอว่าตกอับเหมือนพระจันทร์ข้างแรมดังนั้นทุกคนนะอย่าไปปราถนาลามกอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตนี้ได้มาแสนยากลำบากต้องมาเกิดกับมารดาพิดดา มารดาต้องประครับประครับประคองอุ้มท้องอยู่ทั้งแปดเดือนเก้าเดือนกว่าจะคลอดออกมาเป็นคนผู้บุญน้อยมีเวรหลายตายอยู่ในท้องนู่นเขาเรียกว่าตายทั้งกรมอย่างนี้แหละถ้าเกิดมาแล้วพ่อแม่แม่ก็ต้องประครบประงมเต็มที่เลย พอช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ต้องคิดดูให้ดีชีวิตนี้นะกลัวจะได้มามันต้องผ่านจากการรักษาดูแลทั้งมารดาบิดาทั้งพี่ชายพี่สาวทั้งลุงป้าน้าอาช่วยกันทั้งนั้นเลย กลัวว่าคนคนหนึ่งจ ะ, จะเจริญไว้ใหญ่โทรมาได้คิดดูให้ดีดังนั้นผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปสะสมความชั่วใส่ตัวก้สิ่งใดที่มันจะทำลายสุขภาพอนามัยของร่างกายแล้วก็อย่าไปชอบใจบริโภคมันก็ให้นึกเตือนตนว่า เออร่างกายอันนี้มันมรดกของพ่อของแม่นะพ่อให้พ่อแม่ให้มานะถ้าเราจะไปทาลายร่างกายอันนี้โดยทางอ้อมไปของท้องเสพของเสพสิทให้โทษแล้วก็เท่าเท่ากับ ว, ว่าเอามรดกของพ่อแม่อันหาค่าไม่ได้นี่ไปทาลาย ทิงเสียผู้ใด ค, คิดได้อย่างนี้มันก็ตื่นตัวมันก็คงจะไม่ทำไม่ไปบริโภคของเสพติดต่างๆเหล่านั้นและจะไม่ทำความชั่วยอย่างอื่นเช่นบางคนน่ะไปทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเขาเรียกกับผูกอาฆาตไว้หาอาวุธติดตัวไป พอไปเจอกันเข้าเนี่ก็ยิงกันตายไปเลยเดี๋ยวตำรวจเขามาตามจับมาได้ห้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลศาลตัดสินติดคุกยี่สิบปีห้าสิบปีได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกนู่นอันนี้แหละบุคคลผู้มีจิตใจ อ่อนแอทอแท้ตกเป็นธาตุของกิเลสตกเป็นธาตุแห่งความโลภความโกรธความหลงความพยาบาทอาฆาตจองเวนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นในที่สุดก็ต้องได้ตกนรกทั้งเป็นอยู่ในมนุษย์นี่เองไม่ถึงไม่ต้องไปคอยตกนรกในชาติหน้าต่อไปเลย ชาตินี้ก็ตกนรกแล้วอยู่ในนรกไม่มีอิสระเสรีอะไรมีแต่ไม่มีอิสระและเขายังใช้ไปทำงานลำบากกลากรรมนอนก็ต้องถูกมัดโซ่มัดตวนสำหรับนักโทษอุกชะกันนะ ถ้านักทอดที่ไม่อุกปกัรเขาก็ไม่ใส่โซ่ใส่ตรวนก็นยังชั่วหน่อยแต่สมัยทุกวันนี้น่ะเขายังมีการรักษาความสะอาดของคุกคาตลังเช่นสียากาจัดเลือดยุงอะไรอย่างนี้นะ ไม่เกิดมีแต่คุคาตรางแต่ก่อนแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้นเลยเขาเมกใส่โซ่ใส่ตรวนอยู่อย่างนั้นนอนอยู่กลางคืนพวกเลือดมันก็หลั่งมา ก, กินเลือดของละโทษ อ, อิ่ม้นำสำนันแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่บน ขวาคุกรุ่นป่าหาที่ซ่อนอยู่ตามหลืบไม้ซอกมุมต่างๆอันถึงเวลากลางคืนมาแล้วมันก็ชวนกันไต่ลงมามากินนักโทษนะนักโทษจะฆ่ามันก็ไม่ได้เพราะว่าขาโซ่ขาตรวนมือก็ใส่โซ่ ขาก็ใส่ตรุนอย่างนี้นละนักโทษอุกฉกนะอืมกระท้อนทุกทรมานสระเลือดให้สัตว์เหล่านั้นมันดูดกินอยู่นั่นนะคนที่ร่างกายอ่อนแอก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นตายอยู่ในคุกนั้นเลย อันนี้นับว่เป็นความจริงแท้ๆทนนแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังขั่วหน่อยนี้เราช่วยทำความสะอาดคุกคาตารางดังนั้นแหละทุกคนนะให้พึงเข้าใจว่านรกในเมืองมนุษย์ก็คือคุกคาตารางเมื่อคุกคาตาราง นรกในเมืองมนุษย์มีแล้วอย่างนี้นะไอ้นรกในโลกหน้านั่นจะไม่มีอย่างไรอะ่ะมันก็ต้องมีสิเพราะว่ากรรมที่มนุษย์ทำเนี่ยกรรมชั่วนั้นเพียงแค่ไปติดคุกติดตารางเท่านี้นยังไม่หมดอนะ่กรรมชั่วนั้นยังไม่หมดเมื่อตายแล้วยังต้องไปเสวย วิบากรรมอั น, นั้นก่อนไอ้คิดตัวเมื่อพ้นจากนรกหลุมใหญ่มาแล้วบาปกรรมนั้นยังไม่หมดเนี่ยก็ไปตกหลุมเล็กอย่างนี้นะพ้นจากนรกหลุมหลุมเล็กแล้วบาปกรรมยังไม่หมดก็ไปเกิดเป็นเปรตอือย่างนี้แหละ ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นแต่เบากลัวตกนรกนานแสนนานกลัวจะพ้นจากเปรตมาได้เอา้าบาปนั้นยังไม่หมดนะพ้นจากเปรตแล้วก็ดีแต่มันน้อยลงเมื่อบาปมันน้อยลงแล้วจะอยู่ในภพของเปรตนั้นก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายจากเปรแตแะกลัมาเกิดเป็นอสุรกาย คนจากอสุรกายมาบาปกรรมนั้นก็ยังไม่หมดดูสิมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานความทุกข์ก็เบาลงเมือ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นั้นตายเกิดตายเกิดอยู่นั้นหลายชาติบางบางคนก็ห้ารอยชาตินั่นในตำราทั้งกล่าวไว เมื่อพ้นจากสติไรฉานมาแล้วบาปกรรมนั้นก็ยังไม่หมดก็มีมาเกิดเป็นคนกับเป็นคนขี้กระจอกอ่อก่อยเป็นคนทุพ ล, ลภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่มีสติปัญญาอะไรอก็ต้องมาสเสวยทุกข์ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ไปตลอดชีวิต อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าผลของบาปกรรมอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วพ้นมาเลยมาเกิดเป็นคนแล้วแต่บางรายก็อาจจะมีพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นคนเลยบาปกรรมไม่มาก แต่บางไายต้องมีอย่างนี้แหละเช่นรายที่ฆ่ามนุษย์เนี่ยทรมานมันเคียนมันตีมันอยู่นั่นสักก่อนให้เจ็บให้ปวดทุกขเวทนาเต็มที่เราจึงฆ่าให้ตายอย่างนี้ขาสสติรรฉานก็เหมือนกันบางไล่ คบมันตีมันอยู่นั่นแล้วให้มันเจ็บมันปวดทุกขเวทนาเต็มที่แล้วจึงฆ่าให้ตายนั่นแหละบาปกรรมมันนันมันก็ตามสนองเอามันเกิดเป็นโรคเป็นภัยอันร้ายแรงจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หาย ทนทุกข์ทรมานไปนานกลัวจะตายมันสมกับคำว่าผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นพระศาสนาทรงจัดไว้มันเป็นความจริงแท้ดังนั้นทุกคนให้พากันกลัวบาปกลัวกรรมชั่ว ที่ตัวท ร, รมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์จึงเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้ไปมีปัญญาแล้วมันปฏิเสธไม่มีแบบ ร, รมอะไรจะไปมีอยู่นะปฏิเสธไปเลยกับพระตนมองไม่เห็นโดยปัญญามันก็ปฏิเสธเลย ก็เรื่องเหล่านี้มันต้องรู้ต้องเห็นด้วยปัญญาทา่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นะก็ไม่มีทางจะรู้จากบาปบุญคุณโทษได้ไม่มีอืมีแต่บุคคลผู้ได้ศึกษาทำมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยทวงท่องแท้เท่านั้นแหละ ที่จะรู้จักบาปปุญคุณโทษประโยชน์่ชไม่ใช่ประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุป่าพระพุทธเจ้านั่นพระองค์เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบก่อนคนอื่นทั้งหมดแล้วจึงได้มาสอนคนถ้าพระองค์ไม่รู้พระองค์ไม่สอนเลย ดังที่ออกบวชครั้งแรกเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตัดสรู้พระองค์ก็ไม่แสดงตนอะไรเลยว่าเป็นนักปราดเป็นผู้ฉัลาดในศีลในธรรมไม่มีตามประวัติไม่มีเลยแทบจะไม่มีใครรู้จักถ้ารู้จักก็รู้จักแต่เพียงว่าเป็นนักบวชเท่านั้นเอง เพราะว่าพระองค์บวดแล้วหนีไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นนู่นไม่ได้ไปอยู่กรุงก บ, บินภัทต์อะใครจะรู้ล่ะ mm hmm. อ่ะสแสดงว่าเมื่อพระองค์ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงแนละ้วพระองค์ไม่สแสดงไม่สั่งสอนใครเลยต่อเมื่อได้หกปีแล้วปีที่หกนี่เนะีพระองค์ได้ตัดสู้ ในตอนที่ในตอนที่พระองค์สะเวยวิมุติสุขอยู่ในเรือนแก้วซึ่งที่ทรงนิรมิตขึ้นนั่นแหละพระองค์ได้ทรงพิจารรมทที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้ว ทำทั้งหลายก็ปรากฏในพระทัยของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้ายอมค้นพบธรรมะต่างๆเหล่านั้นด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้เห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้จริงๆเช่นอริยสัจจะทำทั้งสี่อย่างนี้นะหรือมักมีองค์แปดอย่างนี้นะ ไม่มีศาสนาในใดที่เขามาสอนกันไม่มีเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะผู้มีปัญญาเมื่อได้พิจา ร, รณาถึงความเป็นมาแห่งพระพุทธเจ้าพิจา ร, รณาเห็นความรู้ความฉลาดของพระพุทธเจ้าดังที่ พระธรรมคำสอนของพระองค์ที่กุธิศาสนิกชนภิกษุสามเณรได้ศึกษาเราเรียนมานี่นะคนที่สมองไม่ปลอดโปร่งยิงยิงจะจำไม่ได้้ําเลยคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นะลองคิดดูสิทำไมจึงไม่อัศจรรย์บ้างเรานั่นแหละจะว่าเป็นของเล่นได้หรือ คำสอนของพระ อ, องค์มีแต่คนมีบุญวาสนาบารมีคนสมองปลอดโกงเท่านั้นแหละจะท่องจะจำเอาคำสอนของพระเจ้าได้คนสมองทึบไม่ได้เลยบาทีเรื่องอื่นจะจำได้แม่นปันได้เรื่องโลกเรื่องสงสาร เรื่องไปเรื่องมาเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องชู้เรื่องสาวเรื่องมายาสาไถเรื่องโกหกหลอกลวงผู้อื่นวันนี้โอ้ยชำนาญปานไดนี่แหละเรื่องชั่วน่ะมันชำนาญมากก็มันเคยสะสมความชั่วใส่จิตใจมาแล้วหลายชาติหลายพพเรื่องมาน่ะแต่ สะสงความดีเพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองอันบุคคลผู้ที่ไม่สามารถรู้แจ้งในคาสอนของพระพุทธเจ้าได้นะอันเป็นอย่างงานเดิมมานะ่ะดัง น, นั้นผู้ใดที่รู้ตนว่าตนสามารถรู้คำสอนพระพุทธเจ้าได้ท่องได้จำได้แม้ไม่มากก็ตาม แต่จำเป็นแนวทางปฏิบัติได้นีนก่อนหว่าเป็นราบอันประเสริฐของผู้นั่นแล้วถ้าจำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มากเท่าใดก็ยิ่งดีแล้วันกคจะได้สอนผู้อื่นสืบต่อไปแต่อย่างนั้นดังนั้นเนะี่ย เมื่อเราได้เข้ามาบวชในวัดปราศาสนานี่ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากพอสมควรแต่การเรียนทำเรียนวินัยนี่มันขึ้นอยู่กับความพอใจอย่างหนึง่งแม้ว่าสมองจะทึบอยู่บ้างแต่เมื่อมีความพอใจอยากรู้อยากกรรได้ เมื่อมีความพอใจอย่างแรงกล้าเช่นนี้เราก็อดทนภาคเพียนพยายามท่องไปว่าอย่างไม่ไม่ได้มากๆ ก, ก็วันหนึ่งได้ข้อหนึ่งก็เอาอเช่นฮิโดตประธรรมแปล ว, ว่าความละอายต่อบาปทุจริตความกลัวต่อบาปทุจริตอย่างนี้นะ อาวท่องเอานี่ได้ข้อเดียวนี่ก็เอาวันหนึ่งแต่ให้ได้จริงๆจำให้ได้นึกเวลาใดก็ให้นึกได้ทุกเวลาถึงเรียกว่าจำได้แม่ข้อทำอื่นๆก็เหมือนกันท่องจำให้ได้แม่นจริงๆเมื่อถึงเวลานึกถึงมาเวลาใดก็ให้โผล่ขึ้นมาในใจเมื่อนั้น ออย่างนี้นะขอให้จําได้วันละข้อวันละข้อนี่เดือนหนึ่งสามสิบวันนะ่ะได้สามสิบข้อแล้วโถปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันนะ่ะได้สามร้อยหกสิบห้าข้อคำสองพระบุตรเจ้านะมันก็มากอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะฮะลองคิดดูสิแต่นี่มันไม่คิดอย่างนั้นผู้เรียนทำเรียนวินัยนะั่น มันเกียดคลานไม่พอใจเลยไม่อยากรู้อยากจาซ้ำเลยมันถึงไม่เพียนไม่ยามว่าอย่างนั้นก็ไปเปิดแบบดูดู ด, ดูไปนอนหนึ่งนวก็วางไว้เสียหนังสือก็ไม่เคารพอเอาวางไว้ตำตำอย่างนี้นะเมื่อไปประมาทในพระธรรมไม่เคารพอย่างนั้นเรียนมันก็ไม่ได้เรื่องมัอน่ะ ดังนั้นที่แนะอุปายให้นี่นะหากผูใ้ใดทำตามนี่ต้องมีความรู้ติดตัวแน่นอนเลยเพราะว่าชีวิตไม่ใช่ว่าจะตายวันนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันก็ยังจะยืนยาวไปอยู่ก็จะมีแต่เป็นบางคนเนี่ย แต่ส่วนมากก็มีอายุยืนยาวไปอยู่ดังนั้นเนะ่ะก็ต้องพยายามปีนี้ได้สามร้อยหกสิบห้าข้ออย่างนี้นะปีต่อไปอีกก็ได้สามร้อยหกสิบห้าข้อเข้าไปเฮอย่างนี้แล้วมันก็เหลือเฟือแล้ววะแต่หมายความว่าจำให้ได้แล้วก็มันนึกถึงมันทบทวน ไม่ให้ลืมนะอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าเรียนว่าจำไม่ใช่ว่าเรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็จำได้แต่เวลาที่เรียนอยู่นั้นพอหยุดเรียนแล้วก็ลืมเสียเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมทรงวินัยให้พึงเข้าใจ แม้จะได้น้อยแต่เราจําแม่นจริงๆอ่ะนี้มันก็มีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นมากมายขอให้จําแม่นๆก็แล้วกันจําในเรื่องที่เป็นที่สําคัญสำคัญอ่ญนะเช่นจําในเรื่องศีลอย่างนี้นะศึกษาให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องศีลเป็นสามาเัญก็รณงศึกษาเรื่องสิกขาบทสิบข้อ กับสามเณรสิกขานั้นอีกสิบข้ออีกเหมือนกันเนอืมท่องจาเอาท่องบาลีให้มันได้พร้อมเป็นพระภิกษุกับสนใจในพระภาติโมในสิกขาบทสองร้อยิบเจ็ดข้อ อย่าไปเมืินเฉยนะต้องสนใจต้องท่องต้องจำอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีความรู้อย่างไรแล้วถ้ามีความพยายามอย่างนี้นะอันนี้ท่านเมื่อท่องหนังสือก็อยากให้ได้ ม, มากๆท่านเมื่อมันไม่ได้แล้วก็ท้อเสียอยากให้มันได้เร็ว อย่างนี้เมื่อไม่ได้ผมว่าสงกระดับหยุดเสียอหอยเสียเช่นนี้ไม่สมควรเลยคนเรานั่นเกิดมาในโลกก็อย่างว่านั่นเนี่ยต่างคนต่างฝึกตนมาต่างคนต่างก็อยู่มาเป็นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำ มาอย่างงี้นะบางคนก็เป็นผู้มีสะสมนิสัยขี้เกียจขี้คลานติดตัวมาบางคนก็สะสมนิสัยเป็นคนมั่นคนขยันมาแต่ชาติก่อนอเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนมันคนขยันเพาง่ายสอนง่าย บางคนก็เป็นคนเกียดคล้านว่ายากสอนยากก็เพาะแต่ชาติก่อนนั้นมันก็ฝึกนิสัยมาอย่างนั้นนี่นิสัยไม่ยอมให้ผู้รู้ผู้ฉลาดแนะนำตักเตือนอันเมื่อเพื่อนตักเตือนเขาก็ไม่พอใจเลยไม่เอาแล้วอย่างนี้นะ อา้าวเมื่อไม่พอใจเมื่อเอาใครจะว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าแล้วเมื่อตอนไม่พอใจจะเรียนจะรู้แล้วก็จะเป็นคนโง่อยู่กับเพนตป้ายมันก็เลยกลายเป็นคนโง่ไปอย่างงั้นเนี่ยความไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อคําสั่งสอนที่ท่านแนะนําอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะชีวิตคนเรานี่นะอืม ก็เพราะเราเกิดมาไม่ใช่รู้มาแต่เมื่อเกิดทันทีนะหาไม่ได้เลยเกิดมาแต่ละคนแต่ละชาตินี่ต้องมาเรียนเอ า, เอามาฝึกตามกันไปเพราะพะุทธเจ้ายังว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นนะอย่างนี้นะเพราะมันเรียนแบบกันนะอ่ะคบคน เจ้าชู้ก็เป็นคนเจ้าชู้ไปคบคนชอบดื่มเหล้าเมาทุราก็เป็นนักเพลงสุราไปอครอบคนเล่นการพนันก็เป็นนักเล่นการพนันไปครอบคนใจดํำอมหิทธชอบฆ่าชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตดอื่นมันก็มีนิสัยหยาบคาย ขาดเมตตากรุณามีแต่ข่ามีแต่ตีมีแต่ทรมานบุคคลอื่นสัตว์อื่นไปเพราะมันเรียนแบบของผู้อื่นมามันไปคบกับคนเช่นนั้นบางคนก็ไปเรียนแบบคนเจ้าชู้มายาสาไถเห็นว่าเขามี มีหลายคนหรือมีชู้หลายคนชอบอกชอบใจก็ไปฝึกเอาอย่างเขาไปเรียนแบบเขาเข้าไปอย่างนี้แหละมันไม่นึกถึงความทุกข์ยากลำบากในการต่อไปการมีมียหลายคนอย่างนี้นะถ้าหากว่าประเพณี หากอนุญาตให้มีผัวหลายคนอย่างนี้ไอ้ผู้หญิงบางคนมากๆในกรรมมันก็อาจจะมีผัวหลายคนนะแต่ในบางแห่งบางที่ก็มีอยู่นะเล่าเล่ากันมามแล้วเจนนี้มันจะไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากยังไงแล้ว ก็ไปทำในสิ่งที่มันเกินนี่ทำเกินนะ่ะทำเกินไปแล้วมันก็เดือดร้อนในภายหลังเลยมีเมียหลายคนอย่างนี้ตอนไม่มีปัญญาจะมาหาเงินทองเก้าของมาเลี้ยงเขาก็พาเขาทุกจนหนนโลกไปท่นั้นเองมีลูกหลายคนอย่างนี้ ตนไม่มีปัญญาจะหาเงินทองมาเลี้ยงลูกให้เจริญไว้ใหญ่โตได้ก็พาลูกทุกจากอดจากปากหมองไปบางพ่อแม่บางคนก็ทิ้งลูกให้หากินตามยถากรรมก็มีสมัยทุกวันเนี้กรมประชาสงอเคราะห์อินดูสงสารเก็บไปเลี้ยงไว้ นี่แหละโทษของความเป็นผู้มกักมากในกามก็ทุกข์ให้แก่ตนด้วยทั้งผู้อื่นด้วยผูกพันกันไป อ, อันบรนะินี่ยมนุษย์เราไม่ค่อยต่พิจารณาเนี่ยความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะมีแต่ทรมาหากินทำยังไงจะร่ำจารวยนี่ ทำยังไงจะเป็นคนเจ้าชู้มายามมากก็อเอาละดำเนินเข้าไปมันถือว่ามันมีความสุขดีที่แท้แล้วมันแฝงอยู่ด้วยความทุกขตนไม่รู้เนื่องมนเน่เมื่อมันถลํ า, าเข้าไปมากๆก็เวลาจึงรู้ตัวมันสายแค่แล้วแก้ไม่โต๊ะ ดังนั้นคนเรามันถึงทำความดีไม่ได้เพราะว่ามันไปคบกับคนชั่วประเภทต่างๆหมู่นี้แหละคบคนเช่นใดกับเป็นเช่นคนนั่นไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวได้เมื่อไหร่เกิดมาในโลกนี้ก็ลองสังเกต ด, ดูก็มีแต่คนห้อมล้อมอยู่อย่างนี้นะดังนั้นคน ในโลกอันนี้นะมันก็มีสองกันพวกมีคนดีหนึ่งกับคนชั่วหนึ่งเท่านั้นเองแต่คนดีนี่ก็มาจําแนกออกไปอีกดีเล็กน้อยก็มีดียังพอพันกลางก็มีดีมากก็มีคนชั่วก็เหมือนกันชั่วนิดหน่อยก็มีชั่วพอพันกลางก็มีชั่วมากก็มี อย่างนี้แหละลองทันนิฐานดูคนในโลกอันนี้นะมันมีอยู่สองกลุ่มพวกนีนะ้ผู้ขาดปัญญาแลว้วก็ไปเที่ยวคบหาแต่คนชั่วเป็นมิตรก็เอาละผู้นั้นก็ลงทุกลงยากลำบากไปแล้วชีวิตนะดังนั้น ควรพากันศึกษาเราเรียนฟังระดับตับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้เราน้อมเข้าไปคิดไปกลองให้เห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดอริยสัจจะทำทั้งสี่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นประกาศถึงความจริง ทำของจริงซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้เองไม่มีแต่มรรคผลนลั่นแหละต้องทำเอาส่วนทุกข์กับสมุทัยนะ่มันมีอยู่แล้วนะอยู่ในกายในใจของคนเรานี่นะ่ะลองสังเกตดู ร่างกายชำรุดทรุดทรมลองจิตใจก็เป็นทุกข์แล้วตัณหาความทะเยอทยานอยากของขจิตใจมันก็มีอยู่บรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่อย่างนั้นความโรคโกรธหลงอื่นๆก็มีอยู่ท้มไปอยู่ในจิตใจนั้นนี่แหละอริยสัจสองประการนี่มี อยู่ในตัวนี่เสร็จหมดเลยไม่ไม่ต้องไปหายากอพอแต่ว่าขอให้ฝึกจสำสํารวมใจเพ่งใจให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พิจารณาดูก็เห็นได้ชัดเลยความทุกข์ทั้งหลายนี่นะทุกกายกายก็โรคภัยเบียดเบียน ให้กวนกวายชำรุดทุดซอมไปเป็นปกติอยู่ไม่ได้ทุกข์ใจใจไม่รู้เท่าขันหน้าถูกราคะโทสะโมหะเผารนก็เดือดร้อนหุนวายจะว่าความทุกข์ไม่มียังไงชีวิตนี้นะ แต่ผู้ที่มาใน้พิจารณาให้ดูเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่เบื่อนายเมื่อไม่เบื่อนายแล้วก็ไม่แสวงหาทางออกจากทุกนี้เมื่อทุกครอบงำก็มีแต่ร้องให้คาควรเศร้าโศกอยู่เท่านั้นแหละหมดปัญญาบุคคลบางคน ไม่มีทางออกหลายกุ้มใจหลายก็่กินยาตายญิงตัวตาย อ, อันหมนี้มันมีอยู่แล้วในโลกสันิวตัตอันนี้นะมันผู้ที่ไม่พกเช่นนั้นก็นอนใจแล้ววันนี้ก็เอ้ยตนไม่เป็นไรหรอกตนไม่เป็นทุกข์่างเขา่าไอ้ ผูะนั้นบุญกุศลหอนหลังตกแต่งให้มาแล้วก็ไม่ได้ทำบาปกรรมไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อนบุญกรรมจึงตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มาแล้วก็นึกว่าทนสบายแล้วแค่เลยไม่สนใจสินธรรมอย่างนี้ก็มีทมไป ไอ้บุญที่ตกแต่งมานั่นมันเป็นกุศลการ า, มมาวาจรเพราะบุญกุศลอะไ น, นั้นตกแต่งร่างกายจิตใจใมาพอมันเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาและความรักความใคร่อันใดก็เจริญขึ้นด้วยกันเลยว่นนี้ความโกรธอันไ้ก็มีขึ้นมาเมื่อบุคคลไม่สนใจในสินธรรมแล้ว แล้วก็พาร่างกายอันบุญตกแต่งให้สวยสดงดงามแลวมีกำลังวังชาดีนัไปทำบาปมาเนี่ยนี่น่ะเรื่องมัน่ ะ, ะขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำอีกแล้วใช้กายวาจาใจนี่ไปฆ่าสัตว์ไปรักทับประพฤติ ผ, ผิดในกามกล่าวมุสาวาดื่มธุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเข้าไป เช่นนี้แล้วหากว่าไม่รู้ตัวไม่เพียนไม่ยามละในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำบาปอย่างนี้เลื่อยไปจนตลอดชีวิตแน่นอนแล้วตายแล้วบาปกรรมนี่มันก็นำดวงขีดนี้ไปตกนรกไปสร้างรูปของสัตว์นรกให้อยู่อาศัยแล้วก็ตกนรกทนทุกข์ทรมานน้ำร้อน น้ำร้อนลวกไฟเผาตายแล้วเกิดอีกอยู่อย่างนั้นเน่ยจนกลัวจะหมดกรรมสิ้นเวรเหล่านั้นอันบุรีนะบุคคลไม่ควรที่จะผ่านไปเลยคำสอนของพระพุทธเจ้านะควรพากันไปน้อมก็ไปคิดไปพิจนาให้ดีอนรกในปัจจุบันนี้ นอกจากคุกหาตารางแล้วก็นรกอยู่ที่ใจนั่นสำคัญอะ่ะก็ใจมันเล่าร้อนอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะไม่ยอมละทิเลตเหล่านี้ออกจากใจใจก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่อย่างนี้แหละอันนี้แหละนรกอันนี้แหละพาให้ไปทำบาปมีค่าศัตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะ จะสงสัยอะไรเรื่องนรกอ่ะเมื่อ น, นรกฟรากฏอยู่ในจิตใจปัจจุบันนี้แล้วก็ไปทําบาปกรรมไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วอย่างนี้บาปกรรมนั้นก็ไปสร้างนารกให้ในชาติหน้าต่อไปอีกจะสงสัยอะไรแล้วนเียไม่ใช่ว่าการกระทํำดังกล่าวมานี่จะไม่มีผลตามสนอง ถ้าผูใ้ใดเข้าใจอย่างนั้นเรียกว่าเข้าใจผิดอย่างขนัดเลยถ้าเช่นนั้นแล้วมนุษย์เกิดมาย่อมมีความสุขสม่ำเสมอกันหมดเพราะไม่มีบาปตามสนองเลยอันนี้ลองคิดดูสิมันจะเสมอกันได้ยังไงอะเกิดมาในโลกนี่ มันก็มีชีวิตสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนต่างกันไปเราเห็นกันอยู่ดาาตื่นอย่างนี้เลยอันนี้แหละอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำอันนี้ยังว่าฐานเบาแล้วนะบาปกรรมนี่ที่มันนำมาสนองเอาตอนเกิดเป็นคนนี่ อันนี้นะ่ากรรมเบาเต็มทีแล้วอันนี้นะที่กรรมมันพายไปตกนรกนั่นโอ้ัหมันยังหนักมากอยู่อันนั้นนะมันยิ่งทุกหลายร้อยเท่ากว่าทุกความเป็นมนุษย์จะมีกรรมเวนสนองให้ทนทุกทรมานอยู่นี่นะทุกนรกยิ่งมากกว่านี่หลายร้อยเท่าเราต้องลงเทียบดูอ่ะ มันก็พอที่จะเห็นได้อนกนรกมีแต่ในเมืองคนนี่แล้วมันจึงมีในเมืองผีถ้าไม่มีอยู่ในเมืองคนนี่ล้ะไม่มีในเมืองผีก็ไม่มีอืมให้เข้าใจสวรรค์ก็เหมือนกันถ้าทำจิตใจนี้ให้เป็นสวรรค์ไม่ได้สวรรค์ในโลกหน้าก็ไม่มีคือไม่มีเฉพาะผู้นั้นเอง ผู้ใดเขาทำจิตให้เป็นสวรรค์ได้ในปัจจุบันเขาตายไปแล้วเขาก็ไปเกิดสวรรค์ในชั้นนั้นเลยสวรรค์ก็ย่อมมีในเขาก็ต้องขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะนั่นเนี่ยทำใจให้เป็นบุญกุศลมีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำ ว่าจากเป็นอนุคามณี อ, อนุคามิณีติดตามติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้ตนเป็นสุขไปทุกแห่งทุกหนเราต้องเชื่อมั่นลงอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อลงว่าบาปกรรมที่ทําถ้าไม่อธิษฐานใจละเว้นอย่างว่ามาแล้วนั้น มันก็ต้องติดสอยห้อยตามไปให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนเลยอย่างนี้เมื่อเราเห็นสองหน้าอย่างนี้แล้ว เ, เมื่อตอนไม่ต้องการทุกข์ก็ไม่ทำบาปแล้ววันนี้นะก็เว้นจากบาปกรรมความชั่วทั้งต่างได้เป็นอย่างนั้นเมื่อม่พิจารณาไม่รู้ไม่เห็นเหตุผลในเรื่องบาปเรื่งบุญขึ้นมาในใจแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ ไม่กลัวบาปก็ก็ไม่ชอบทำบุญซะด้วยก็มันมองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นคุณค่าแห่งบุญกุศลเป็นอย่างนั้นจิตตวงนี้นะถ้าเราทบทวนดูแต่เบื้องหลังตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่ามันเรื่มประพัฒสอนไม่มัวหมองเหมือนอย่างในปัจจุบัน หมายความว่าจะเริ่มแรกตั้งเป็นชีวิตจิตใจมาในเมื่อยังไม่มีกิเลสบะ ห, มหุมหอ่อลักษณะของกิจแท้ใจแท้นะ่ะมันผ่องใสอยู่แต่เดิมท่านพอมันได้มาอาศัยธาตุสี่ินน้ำไฟรมเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะ มันยังในมาสัมผัสกับโลกอันนี้ตาในเห็นรูปมันก็ชอบใจในรูปหูได้ยินเสียงมันก็พอใจในเสียงเป็นต้นเหล่านี้แล้วมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเกิดเป็นราคะความกำหนัดยินดีขึ้นเกิดเป็นโทสะพยาบาทเกิดเป็นโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ ขึ้นในใจนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องความเป็นมาแห่งชีวิตในตอนต้นนะอเมื่อมั น, มนสะสมกิเลสไว้ในใจนะมันก็เป็นทุกข์เกิดมาชาติใดก็ทุกข์อยูนั้นบันดนี้ท่านท่านบูเกิดมาแต่ก่อนโน้น ท่านสร้างบุญบา ร, รมีมามากๆเขาแล้วก็ได้มาตัดสรู้เป็นพรุเจ้าพรจึงได้แนะนำสั่งสอนเข้าไปคนเราเมื่อได้ฟังเรื่องราวอันดีงามมันก็ค่อยรู้ดีเข้าไปค่อยรู้ค่อยเห็นไปตามทรงแสดงเรื่องชั่วค่อยรู้ความชั่วไป แล้วก็พยายามละามชั่วอย่างหยาบออกไปเข้าไปเรื่อยๆไป